ความสุขของคนเราอยู่ที่ความสงบของจิตใจไม่ได้อยู่ที่เงินทองไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้สิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถให้ความสุขกับใจเราได้นอกจากความสงบ เพียงอย่างเดียวพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาทำความสงบกันให้หยุดหาสิ่งต่างๆถ้ามีก็สละไปมีแล้วถ้าไม่สละเก็บไว้มันก็เป็นภาระทำให้ใจไม่สงบ ไม่มีอะไรแล้วมันเชื่อได้ไม่มีอะไรมาให้ใจต้องวุ่นวายด้วยถ้ายังมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีคนนั้นคนนี้มีข้าวของเงินทองมันก็จะมาบรบกวนความสง บ, บรบกวนการทำความสงบของใจต้องหยุดทำกิจกรรมต่างๆที่ต้อง มีการใช้จิตใจต้องใช้ความคิดใช้การพูดใช้การกระทำให้หยุดการกระทำต่างๆาด้วยการถือศีลศีลแปดศีลแปดคือไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่หาความสุขผ่านทางร่างกายให้มาหาความสุขจากการทําใจให้สงบนี่ทำไมถึงจะต้องมีทานมีศีลก่อนที่จะมีภาวนาทานเพื่อให้เรากำจัดข้าวของเงินทองสมบัติอะไรต่างๆที่ มาคอยให้เราต้องวุว่นวายใจอยู่เรื่อยๆมันไม่มีประโยชน์เท่ากับความสงบถ้าอยากจะได้ความสงบมันก็ต้องไม่มีเรื่องมาให้คอยวุว่นวายใจถ้ามีแล้วเดี๋ยวมันก็จะมาคอยรบควนการทำใจให้สงบให้มีเท่าที่จำเป็นมีพอต่อการเลี้ยงดูร่างกายก็พอ มีมากเกินไปก็เป็นภาระต้องคอยติดตามต้องคอยดูแลรักษาไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมาคอยกังวลไม่ต้องคอยดูแลรักษาคอยติดตามเนี่ยพระพุทธเจ้าให้พระมีสมบัติให้น้อยที่สุดเนี่ยมีเท่าที่จำเป็นเหมือนทาหาร ทหารจะเข้าสนามรบนี้ไม่เอาลูกกับเมียไปด้วยไม่เอาบ้านไม่เอารถเกง๋งไม่เอาเครื่องอำนวยความสะดวกความสุขต่างๆไปทหารนี่ให้เอาปืนไปอย่างเดียวเอามีดเอาปืนเอาเป้ไว้สำหรับใส่ของจาเป็นเท่านั้นของจาเป็นก็มีพวกอาหาร อาหารเวลาบางทีใปลใบลบมันไม่มีที่กินอาหารกันต้องพบอาหารไปอาหารกระป๋องอาหารแห้ง <c oughs> พระก็เหมือนกันพาก็เป็นเหมือนอาหารออกรบออกรบกับความวุ่นวายต้องการทำใจให้สงบต้องมีเรื่องที่จะทำให้ใจวุ่นวายน้อยที่สุด ให้มีเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเองเอพระมีสมบัติแค่แปดชิ้นเรียกว่าอัฐบริการสมบัติที่ที่มีต่อความจำเป็นต่อการดำรงชีพของพระของผู้ปฏิบัติของผู้ที่จะทำจิตให้สงบมีเพียงแปดชิ้นบาทหนึ่งใบ ไว้สำหรับหากินอาหารหาอาหารบินฑบาดจีวรสามผืนผ้าสามผืนสามชิ้นเป็นสี่ชิ้นบาหนึ่งชิ้นผ้าสามชิ้นก็เป็นสี่เข็มกัดหน้าไว้สำหรับปะเย็บจีวรเป็นห้าเข็มขัดรัดเอวเป็นหกมีดกรไว้ปงผมปงหนวดเป็นเจ็ดแล้ที่กองน้า เพราะสมัยก่อนไม่มีน้ำประปาไม่มีน้ำขวดอย่างที่เราเดื่มกันทุกวันนี้จะบริภพภคจะดื่มน้ำต้องไปตักน้ำในลำห้วยลำธานในบึงในสะในบอ่อซึ่งอาจจะมีตัวสัตว์อยู่เลยนั้นเช่นลูกน้ำต้องมีที่ตักแบบที่กรองไว้กันแม่เอาตักเอ า, ต, เอาตัวสัตว์ขึ้นมา นี่คือสมบัติที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของนักปฏิบัติเพื่อความสงบของใจมีแค่นี้พอที่อยู่อาศัยก็อยู่ในป่านี่แหละไปหาในป่ามีกิ่งไม้ใบไม้มาทำเป็นเพิงมาพอที่จะหลบแดดหลบฝนได้อยู่แบบสัตว์ สัตว์ไม่ต้องมีห้องน้ำสัตว์เนี่ยไม่ต้องมีห้องน้ำมันก็อยู่ของมันได้คนก็เหมือนสัตว์นี่แหละไม่ต่างกันไม่ต้องมีแล้วสบายสัตว์มันอยู่สบายกว่าคนไมไม่ต้องมีอะไรมากมายมันก็อยู่ของมันได้ น, นี่ก็คือการอยู่แบบ นักปฏิบัติผู้ที่ต้องการความสุขทางจิตใจต้องไม่ไม่ต้องต้องไม่กังวลไม่ต้องมีความสุขทางร่างกายความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะรูปเสียงกลื่นรสต่างๆอันนี้ตัดมันไปให้หมดะถ้าจะไปอยู่ที่ปฏิบัติธรรมจริงๆก็ไม่ต้องเอามือถือไป คิดว่าเราตายจา ก, กโลกไปแล้วเวลาเราไปไม่ติดต่อกับใครไม่ยุ่งกับใครไม่สนใจใครงั้นเดี๋ยวไปก็ไปกังวลนะไปอุตส่าห์ไปกายแทบตายแต่มือถือพอกดปุ๊บก็ถึงกันนะร่างกายอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะแต่ใจมันก็แค่อยู่แค่นิ้วนี่เองอยู่ที่ปลายนิ้ว เดี๋ยวคิดถึงใครก็กดหากันแล้วกดคุยกันแล้วถ้าอย่างนี้ก็อย่าไปเพราะว่ามันก็พอคุยมันก็ใจก็ต้องทํางานนะต้องคิดต้องปรุงแต่งถ้ามีเรื่องอะไรไม่ดีขึ้นมาก็ยิ่งวุ่นวายใจใหญ่เดี๋ยวทําไปทํำมาต้องกลับบ้านต้องกลับไปจัดการกับเรื่องนะั้นเรื่องนี้ะงั้นอย่าไปรับรู้อะไระ สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายปิดตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปรับเอาเรื่องราวต่างๆเข้ามาเพราะมันจะกวนใจแล้วมันจะทำให้ใจไม่สงบจะทำให้ใจสงบไม่ได้นี่คือสิ่งต่างๆที่ผู้ปฏิบัติเพื่อความสงบจะต้อง พิจารณาจะต้องคอยดูดว่ามีอะไรมาคอยลบกวนใจบ้างหรือไม่มีอะไรมาลบกวนใจก็ต้องตัดไปตัดไปอันนี้พูดถึงผู้ที่จะเอาจริงเอาจังต่อความสงบนะแต่ถ้ายังเป็นผู้ที่มาฝึกซ้อมอามาทดลองอันนี้ก็ ก็ตัดก็ทำแบบชั่วคราวได้เวลามาก็ทิ้งทุกอย่างอย่าไปสนใจถ้ายังทำไม่ได้มันก็จะยากต่อการให้ได้ผลจากการปฏิบัติถ้าไม่ได้ผลนะเดี๋ยวมันก็ท้อเมันเดี๋ยวมันก็เลิกทำ อยากจะทำแต่ทำไม่ได้เพราะตัดอุปสรรคต่างๆที่มาคอยรบ ก, กวนใจไม่ได้นี่คือเรื่องของการหาความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจต้องไม่มีอะไรมีใจเดียวๆกับร่างกาย ท่า น, นั้นเองของอย่างอื่นไม่จำเป็นจะต้องมีมีแล้วเป็นอุปสรรคเป็นภาระเป็นเหตุที่จะรบกวนการทำใจให้สงบต้องไม่มีอะไรมีให้น้อยที่สุดท่านสอนให้เป็นผู้มักน้อยสันโดษ มากน้อยก็คือมีเท่าที่จำเป็น เ, เหมือนทหาราไ้ออกรบนี่ต้องเอาของที่จำเป็นจริงๆไปเท่านั้นอของที่ไม่จำเป็นไม่เอาไปเพราะมันต้องแบกมันไม่ทมันจะทำให้ไม่คล่องคล่องแค่ว่างไว้เวลามีการต่อสู้กันมันจะถูกเขา ตายซะก่อนอันี่คือเรื่องที่ผู้ปฏิบัติผู้ที่ต้องการความสุขทางใจต้องการความสงบต้องต้องมีให้น้อยที่สุดมักน้อยคาว่ามักน้อยก็คือมีให้น้อยที่สุดมีเท่าที่จำเป็นหรือถ้ามันมีม มีไม่พอก็ให้เป็นสันโดษไปคือมันมีน้อยกว่าที่จะที่จะต้องมีก็ก็ให้ยินดีตามมีตามเกิดไปเช่น อ, อาจจะขาดสิ่งนั้นบ้างขาดสิ่งนี้บ้างถ้ายังพอถูถ่ยอยู่ไปได้ก็อยู่ไปอย่าไปวุ่นวายไปกับมันมากจนเกินไป แล้วใจจะได้มีเวลามาทำใจให้สงบการที่เราไม่มีอะไรนี้ก็ยังไม่ได้รับประกันว่าใจจะสงบโดยอัตโนมัติมันเพียงแต่เป็นการเปิดทางให้ก่อต่อการไปทำใจให้สงบกำจัดสิ่งกีดขวางต่างๆ ที่จะมาขออกิจกันไม่ให้ไปทำความสงบนั่นเองไม่ให้ไปเจริญสติไม่ให้ไปนั่งสมาธิ <c oughs> ต้องเข้าใจว่าต้องมีการที่พระเจ้าสอนก็คือให้สำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายก็คือ ไม่รับรู้เรื่องราวาต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่รับรู้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์นี่ก็ไม่ต้องเอาติดตัวมาถ้าเอามาก็ปิดอย่าไปเปิดจะเปิดต่อเมื่อมีเหตุฉุกเฉินต้องใช้เพื่อดูแลร่างกายเท่านั้นเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยต้องเรียก คนมาช่วยพาไปโรงพยาบาลหรืออะไรทำนองนั้นจะมีไวก้ก็มีเท่านั้นแต่ถ้าไม่มีความมั่นใจว่าจะห้ามใจได้ก็ฝากเอาเก็บไว้ที่บ้านเอาอยาเอาติดตัวมา ด, ดีกว่าอันนี้คือไม่รับรู้สัมรวมอินทรีย์ตาหูจมูกรินกาย ไม่รู้ถ้าไปเปิดมือถือไปติดต่อกับคนนั้นคนนี้เดี๋ยวมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาในใจแล้วจะทำให้ใจวุ่นวายขึ้นมาได้ทำให้ฟุ้งซ่านทำให้เกิดนิวรณ์คือความฟุ้งซ่านหรือเกิดการมาฉันทะถ้าเปิดไปเห็นภาพของอาหารเห็นอาหารชนิดต่างๆเดี๋ยวก็ ตอนเย็นก็จะหิวเดี๋ยวก็ทนอยู่ไม่ได้กาม m ฉันทะเกิดขึ้นต้องไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิพุัพพะของอาหาร <c oughs> อันนี้คืออุปสรรคที่จะคอยกีดกันไม่ให้ใจเข้าสู่ความสงบพอะพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้สำรวมตาหูสมุกนิ่กายแล้วไปปรีกวเวก้อ ให้ไปอยู่ที่ไกลาจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่คนเดียวอยากครุกคลีกันไม่ใช่ไปไปอยู่วัดแล้วก็ไปนั่งจับกลุ่มคุยกันอีกไปคุยกันไปทำกิจกรรมร่วมกันอีกมันก็จะไม่ทำให้สงบ วัด ป, ปฏิบัติจริงๆนี่จะไม่มีการลงมารวมไหว้ผ้าสวดมนต์ทำวัช้า ว, วัดเย็นะให้ทํากันเองวัช้า ว, วัดเย็นก็คือการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสตินี่คือให้เจริญสติแทนที่จะไปคิดถึงอครอบครัวคิดถึงธุรการคิดถึงอะไรกใกล้มาคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปะ ให้สวดมนต์สำหรับคนที่ยังเจริญสติไม่เป็นก็ให้ใช้อุบายของการไหว้พระสวดมนต์เป็นการฝึกเจริญสติดีกว่าไปนั่งคุยกันนั่งคุยกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันหรือนั่งคุยกันนัดเดี๋ยวก็ชวนเป็นไปทํานู่นทํานี่ต่อไปเดิมไปเดิมน้ำชากาแฟาเดื่มอะไรกันต่อ มันจะไปทางนั้นทางนั้นเพราะจิตใจมันมีแต่กิเลสมีแต่กามฉันทะอยากเสพกามหันต้องอยากคุยกันดีกว่าอยากพบปะกันถ้าไม่จําเป็นถ้าจําเป็นก็พบปะกันพอสมควรเช่นเวลาต้องมาทํากิจกรรมร่วมกันมารับประทานอาหารร่วมกันก็ต่างคนงก็ต่างรับประทานไป ไม่ต้องคุยกันต้องมาช่วยกันทําดูแลทําความสะอาดสถานที่ก็ทํากันไปไม่ต้องคุยกันเสร็จแล้วก็แยกกันกลับไปอยู่ที่พักของตนไปเจริญสติไปนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิค่อยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดะสํารวมเินรีปรีกวิเวก เาก็จเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วก็การรับประทานอาหารก็ต้องรู้จักพอประมาณรับประทานเพื่อดับความหิวอย่าไปไอย่าไปรับประทานให้มันอิ่มอิ่มแล้วมันจะกลายเป็นอุปสรรคมันจะทำให้ง่วงกินเพื่อแมห่หิวพอ พอหายหิวก็หยุดกินจะอยละ ก, กินต่ออันนี้เป็นมาตรการที่พระเจ้าสอนให้ผู้ปฏิบัติที่ต้องการความสงบ ต, ต้องทำกินให้น้อยกินเท่าที่จำเป็นกินพออยู่ไม่ต้องให้มันอิ่มกินพอให้มันคลายความหิวลงไป พอกินอิ่มนะมันจะง่วงนอนมันจะขี้เกียจแทนที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิมันจะนอนอักินพอให้มันไม่หิวไม่อิ่มนะ้วมันมันจะตัวเบาเดินจงกรมนั่งสมาธิได้สบายอันนี้คือมาตรการต่างๆก่อนที่จะมาทำใจให้สงบได้ต้องมีมาตรการเหล่านี้เพื่อ ฟันฝ่าอุปสรรคฟันฝ่าสิ่งที่จะคอยเหนี่ยวรั้งจิตใจให้ไปทำความสงบอันนี้พูดถึงการทำความสงบแบบเป็นกิจลักษณะไม่ใช่ทำแบบแบบตามอารมณ์วันนี้อยากจะทำก็ทำวันนี้ไม่อยากจะทำก็ไม่ทำ ทำก็แค่ครั้งเดียวนั่ง5้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีแล้วก็จบอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าเป็นการทำกิจเป็นกิจจลรักษณะทำมันต้องทำแบบให้มันเกิดผลทำเป็นเรื่องเป็นราวต้องทำอย่างต่อเนื่องซึ่งยากต่อผู้ที่ยังมีกิจกรรมมีการงานต่างๆ คือผู้ครองเรือนี้ยากที่จะมาทําใจให้สงบแบบเป็นกิจจลักษณะได้ถ้าทําได้ก็เป็นแบบเป็นเหมือนงานอดิเรกฮ็อบบี้ <Yeah. S 1> เวลาวันนี้มีเวลาว่างเบื่อดูละครก็เบื่อดูข่าวก็เบื่อมานั่งสมาธิแทน <Yeah. S 1> เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการหาความสุข การทาแบบนี้มันก็เป็นเป็นเพียงาางานอนดิเลกจะไปหวังอะไรจากการนั่งแบบนี้มากไม่ได้แต่ถ้าต้องการจะสัมผัสกับความสงบที่แท้จริงนี้มันต้องทาเป็นเหมือนกับมืออาชีพไม่ใช่งานอนดิเลกไม่ใช่งานสมัครเล่นต้องเอาแบบเอาจริงเอาจัง เอากันอย่างเต็มที่การทําใจสงบนี้มันต้องทําตลอดเวลาเพราะใจมันทํางานตลอดเวลามันเป็นเหมือนเครื่องจักรที่ไม่ยอมหยุดเนี่ยฉะนั้นต้องคอยหยุดมันต้องเหยียบเบรกตลอดเวลามันถึงจะหยุดได้ถ้าเหยียบบ้างไม่เหยียบบ้างมันก็วิ่งไปเป็นลาเหยียบมันก็อาจะชะลอตัวลงหน่อย เดี๋ยวพอปล่อยเบรกมันก็ไปอีกมันก็จะไม่ถึงจุดที่จะเรียกว่านิ่งสงบได้อย่างเต็มที่อันนี้งานทำจิตให้สงบจริงๆที่เป็นกิจลักษณะจริงๆต้อ ง, งเหมาะกับพวกที่เป็นนักบวชนะพวกที่เขาบวชกันเพื่อความสงบเนี่ยเขาจะไม่มีงานอย่างอื่นทาเขาจะทางาน มีเพียงงานเดียวคือการเจริญสติกับการนั่งสมาธิและการเจริญปัญญาตามลําดับตามขั้นตอนของการปฏิบัติเหมือนกับการที่จะวิ่งมาราธอนนี่ก่อนจะวิ่งมาราธอนได้ก็ต้องเดินให้ได้ก่อนก่อนจะเดินก็ต้องยืนให้เป็นก่อน ถ้ายังคลานอยู่นี้จะไปวิ่งมาราธอนเลยไม่ได้นะข้ามขั้นตอนไม่ได้ถ้ายังไม่ได้สติยังไม่ได้สมาธิอย่าไปเจริญปัญญาให้เสียเวลาเดี๋ยวก็ล้ ม, มไปไม่รอดอต้องหัดยืนให้ได้ก่อนยืนให้แข็งก่อนเมื่อแข็งแล้วก็เดินหัดเดินให้แข็งก่อนเมื่อเดินแข็งแล้วค่อยหัดวิ่ง มันเป็นขั้นเป็นตอนการปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นจึงต้องจึงต้องและการที่จะฝึกฝนนี่ต้องมีเวลาไปทำกิจกรรมยอย่างอื่นไม่ได้ถ้ายังไปทำงานอยู่นี่ก็จบวันหนึ่งก็ไปทำงานแปดชั่วโมงเตรียมตัวก่อนไปกลับไปทำงานวันละสิบกว่าชั่วโมงกลับมาบ้านก็เหนื่อย กินข้าวอาบน้ำเสร็จก็อยากจะนอนนั่งสักห้านาทีสิบห้านาทีก่อนนอนไม่ได้อะไรหรอกก็เป็นเหมือนกับรองน้ําค้างไม่ใช่รองน้ําฝนถ้าอยากจะได้น้ําเป็นปีป้เป็นตุ่มเนียมันต้องรองน้ําฝนมันต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับ พรปฏิบัตินี้ท่านจะปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับจะไม่ปฏิบัติแค่ช่วงหลับเท่านั้นสี่ชั่วโมง5้าชั่วโมงสี่ทุ่มถึงปีสองเป็นเวลาพักผ่อนหรือห้าทุ่มถึงปีสามพอตื่นขึ้นมาก็จะริญนสติทันทีพุทโธ ท, ทันทีเดินจงกรมทันทีนั่งสมาธิทันที จนถึงเวลาไปทำกิจจวัดออกบินทบาศก็มีสติกับการบินทบาทการบินทบาทก็เป็นเหมือนการเดินจงกรมอีกรูปแบบหนึ่งแทนที่จะดูเท้าก็ทีนี้ดูฝาบาทดูคนใส่บาทพอมีคนจะใส่บาทก็เปิดฝาบาทรับบาทพอใส่เสร็จก็ปิดเดินต่อไป มีสติอยู่กับการเดินอยู่กับการเปิดบาาปิดผ้าบาทเท่านั้นไม่ไปเดินคิดเลือ่อยเปอยไม่ไปดูสิ่งต่างๆที่ผ่านทางเดินดูแล้วเดี๋ยวมันจะปรุงแต่งมันจะคิดปรุงแต่งสำมรวมตลอดเวลาสำมรวมกายวาจาใจ นี่คือนักปฏิบัติจะปฏิบัติตลาดเวลาแม้จะต้องทํากิจวัตรกิจกรรมที่จําเป็นอกลับมาจากบินรบาดมาเตรียมตัวฉันก็มีสติอยู่กับการเตรียมตัวจัดอาหารเข้าบกเข้าบาดพอถึงเวลาฉันก็มีสติอยู่กับการฉันเพียงอย่างเดียวคอยฉันเวลาฉันก็ต้องระ ม, มัดระวังไม่ให้เกิดความอยากเกิดความโลภในอาหาร ก่อนจะฉันได้พิจารณาปฏิกูลสัญญาของอาหารให้นึกถึงภาพที่มันไม่น่าดูภาบางลูกท่านก็เอามันนักแต่ในบาทเลยอาหารอะไรเข้าไปในบาทก็คุกคนมันไปเลยของอะไรที่จะเข้าไปในท้องนี่เอาไปรวมกันในบาทก่อนของอะไรที่มันจะคนจะอะไรคนอยู่ในท้องก็คนมันในบาตก่อน ของขาวของหวานผลไม้ขนมนมเนยคนมันเข้าไปในบาท응แล้วก็ตักฉันด้วยสติเวลาตักขึ้นมาก็มีสติเวลาเอาเข้าปากก็มีสติคือรู้อยู่ว่ากำลังตักกำลังเอาอาหารเข้าปากกำลังเคี้ยว응กำลังกลืน응 ทุกขณะไม่ให้เกิดความโลภเกิดความยินดีให้กินเหมือนกินยาอันนี้คือการปฏิบัติของนักปฏิบัติจะไม่มีเวลาไหนที่ไม่ปฏิบัตินอกจากเวลาหลับเท่านั้นนอกจา้นี้จะต้องมีการเจริญสติคอยควบคุมใจให้เฝ้าอยู่กับกิจกรรมที่กำลังทำอยู่ ไม่ปล่อยให้ใจไปนึกไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาอยู่กับการกระทําของร่างกายฉันเสร็จเอาบาทไปร้างก็มีสติอยู่กัารล้างบาทล้างบาทเสร็จกลับมาเช็ดบาทก็มีสติอยู่กัารเช็ดบาท ม, มาเช็ดบาทเสร็จเอาบาทใส่ถลกเอาใส่ถลกบาะ เรียบร้อยก็ไปช่วยกันทาความซาลาเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็แยกกันกลับระหว่างทำก็มีสติอยู่กับการกระทำทุกทุกขั้นตอนขณะเดินกลับกุฏิก็มีเมีสติกับการเดินกลับกุฏิพอถึงกุฏิก็วางบาทไว้เข้าเดินตรงกลมต่อเดินตรงกลมไปเดินมาจนกว่าจะเมื่อย ก็กลับมานั่งสมาธินั่งสมาธิจนเมื่อยเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินต่อจนถึงเวลาบ่ายต้องปัดกวาดมาไปปัดกวาดปัดกวาดก็มีสติอยู่กานปัดกวาดต่อทำไรมีสติตลอดเวลาไม่มีเวลาไหนที่ไม่มีไม่ไม่มีการใช้สติไม่มีการเผลอสติ ปัดกวาดเสร็จเอเดือมน้ําปานะเดือมน้ําเสร็ จ, ปนะรจไปส่งน้ําอาบน้ําซักผ้าทําเสร็จขณะทำก็มีสติอยู่กับงานที่กําลังทําอยู่ตลอดเวลาไม่ส่งจิตไปคิดเรื่องอื่นเลยไม่ส่งไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่กับเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้น พอเสร็จภารกิจจากการส่องน้าก็เดินจงกรมต่อเดินไปสลับกับการนั่งสมาธิไปจนถึงเวลาพักผ่อนหลับนอนสี่ทุ่มบ้างห้าทุ่มบ้างพักสี่ชั่วโมงถ้าสี่ทุ่มก็ตีสองลุกขึ้นมาถ้าห้าทุ่มก็ตีสามลุกขึ้นมาแล้วก็ต่อด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิ ไปจนถึงเวลาออกบินธบาตนี่น่หะคือวงจรของผู้ปฏิบัติของพระปฏิบัติเป็นอย่างนี้ท่านไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรแล้วยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเดียวคือเรื่องของการทำใจให้สงบนะด้วยการฝึกสติจจรินสติไม่ปล่อยให้ใจคิดด้วยเปื่อยควบคุมมันตลอดเวลาลวเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบ มีคนถามว่าสมาธิกับฌานต่างกันอย่างไรสมาธิก็แปลว่าความสงบของจิตฌานก็คือระดับความสงบที่มีมากน้อยตามลำดับไปความสงบนี้ก็จะสงบเป็นขั้นๆแต่ละขั้นก็เรียกว่าฌานสงบขั้นที่หนึ่งก็เรียกว่ารูปฌานหนึ่งสงบขั้นที่สองก็เรียกว่ารูปฌานสอง สงบขั้นที่สี่ก็อรูปฌานสี่พอสงบขั้นที่ห้าก็เปลี่ยนจากรูปฌานเป็นอรูปฌานก็เรียกว่าอารูปฌานหนึ่งความสงบนี้แบ่งเป็นสองระดับระดับรูปฌานที่หยาบ ก, กว่าอารูปฌานมีแปดระดับด้วยกันของความสงบของรูปฌานและอรูปฌานและยังมี นิโรดสมาบัติอีกระดับหนึ่งนี่คือสมาธิระดับต่างๆสงบเข้าไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆจากน้อยไปหามากขั้นฌานขั้นที่หนึ่งก็สงบน้อยกว่าฌานขั้นที่สองฌานขั้นที่สองก็สงบน้อยกว่าฌานขั้นที่สามที่สี่ก็น้อยกว่าที่ห้าที่ห้าก็รูปอาูปปฌาน ที่ห7เจ็ดแปนี่เป็นอรูปฌปานแล้วก็ไปหยุดที่สมาบัตินิโรธสมาบัติสงบเต็มที่เต็มร้อยทุกอย่างดับหมดถ้าเปรียบเทียบเราดับไฟทีละดวงในบ้านก็มืดลงไปทีละนิดมืดไปทีละหน่อยมีไฟอยู่เก้าดวงในบ้านเราก็ดับมันทีละดวง ดับในห้องรับแขกฮะหอบดับในห้องครัวดับในห้องรับแขกห้องทำงานห้องนอนห้องน้ำดับมันไปทีละดวงเดี๋ยวพอครบก้าวดวงมันก็มืดหมดใจก็เหมือนกันใจก็ดับทีละนิดทีละหน่อยไปสงบไปทีละนิดทีละหน่อยไปเดี๋ยวก็สงบเต็มที่เต็มร้อยขึ้นมา อ น, นี่คือเรื่องของสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิต้องเป็นสมาธิที่อยู่ในฌานต่างๆอพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสัมมาสมาธิก็คือฌานสี่รูปฌานสี่จิตเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้เป็นอารมณ์เดียวเป็นหนึ่งเอะกคัตารมณ คือสักแต่ว่ารู้แต่ไม่มีอะไรให้รับรู้นอกจากความว่างชั้นหนึ่งยังมีวิตกวิจารณ์ให้รับรู้มีปิติมีสุขให้รับรู้อยู่แต่พอเข้าชาญนสีแล้วไม่มีอะไรให้รับรู้นอกจากความว่างเหลือแต่ผู้รู้สักแต่ว่ารู้แต่มีสิ่งที่ละเอียดกว่าที่ไม่ได้ทรงตัดถึงอันนั้นอยู่ในอรูปฌาน แต่จะข้ า, ารูปฌปานนี้จิตก็จะต้องให้ละเอียดกว่า น, นั้นด้วยการกำหนดา อ, อารมณ์ของรูปฌปานขึ้นมาแ น, น, นี่คือสำหรับสัมมาสมาธินี่ทรงสแสดงเอาแค่รูปฌปานสี่คือให้ได้อุบเบกขาสักแต่ว่ารู้ แ้จิตสงบอยู่ในนั้นนานๆจนกว่าจะถอนออกมาถ้าเข้าไปเดียวๆออปปแล้วก็ออกมาเข้าไปปุ๊บแล้วก็ออกมาเรียกว่าคาิกะสมาธิถ้าอยู่นานๆเกินกว่าปรับเดียวก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิอยู่ได้นานกว่าคานิกะสมาธิสัมมาสมาธินี้มีอยู่สอง คณิกะกับอัปปนาคณิกะนี้ถือว่าเป็นเหมือนหนังตัวอย่างถ้าเป็นสินค้าก็สินค้าตัวอย่างสมัยก่อนนี่เขามีสินค้าตัวอย่างมาแจกให้คนลูกค้าให้เขาลองดูกันใส่ขวดเล็กๆ เ, เ, เช่นสุรานี่ก็ไม่เอามาใส่ขวดใหญ่แจกให้ดื่มเอาใส่ขวดเล็กๆพอดื่มได้แก้วสองแก้ว ให้รู้รถว่าเป็นอย่างไรคณิกะสมาธิก็เป็นเหมือนความสงบตัวอย่างให้รู้ว่าสงบแล้วมันดีอย่างไรมันวิเศษอย่างไรเราจะได้อยากจะได้นั่งนานๆอยากจะฝึกสติให้มากเพราะสติต้องมีสติมากถึงจะทำให้มันเป็นอัปปนาสมาธิได้แต่บางคนบางคนนี่พอเข้าไปอัปปนาสมาธิแล้ว ไม่ยอมอยู่ในอปนาสมาธิออกไปรู้เรื่องราวต่างๆในโลกทิพย์นี่เรียกว่าอุปจาระสมาธิออกไปพบปะกับกายทิพย์ต่างๆมีตาทิพย์มีหูทิพย์ได้ยินเสียงทิพย์จากพวกกายทิพย์สนทนากับพวกกายทิพย์ได้หรือไปอ่านจิตของคนอื่นได้ ไ่รับรู้ความคิดปรุงแต่งของคนอื่นชงจิตของคนอื่นได้หรือละลึกชาติได้หรือมีความสามารถพิเศษอภิญญาเหาะเหินเดินอากาศดำดินอันนี้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่ไม่ได้ไปสนใจถ้ามีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นปัญหาเลย เพราะสมาธิแบบนี้ความวิเศษแบบนี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อการกำจัดความทุกข์กำจัดตัณหาความอยากกำจัดการเวียนว่ายตายเกิดที่ต้องการกำจัดความทุกข์กำจัดตัณหาความอยากความมันทำให้ใจไม่สงบนั่นเองเป้าหมายคือต้องการทำใจให้สงบเพียงอย่างเดียว การมีอภินยานี้ไม่ทำให้กำจัดหรือทำให้ใจสงบได้กลับไปทำให้ใจไม่สงบเสียอีกอการไปมีอภินยามีการรับรู้อะไรต่างๆไม่ได้ทำให้ใจสงบเย็นมีความสุขเหมือนกับการอยู่ในอัปปนาสมาธิเะนั้นผู้ปฏิบัติต้องระวัง ถ้าใจเป็นนิสัยที่ชอบออกไปรับรู้นิมิตต่างๆนิมิตของข้างในของตนเองที่ผลิตขึ้นมาเองหรือนิมิตจากภายนอกจากพวกกายทิพย์ต่างๆก็ต้องระมัดระวังอย่าไปสนใจอย่าไปติดตามอย่าไปให้เวลากับมัน เพราะจะทำให้เสียเวลาจะหลงทางแล้วมันจะติดทุกครั้งนั่งสมาธิก็อยากจะไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเพราะมันเพลิดเพลินเหมือนกับดูมือถือดีๆนี่เองจะเรียกว่ามือถือนี้เป็นอุปจาระสมาธิภายนอกก็ได้อุปจารสมาธิของคนที่ไม่มีสมาธิก็คือมือถือนี่ มีอะไรให้เพลิดเพลินดูได้อยู่ตลอดเวลาฟังได้ตลอดเวลาแต่ไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้ทำให้ใจสงบนิ่งไม่ได้ทำให้ใจมีความสุขทางใจนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังแต่เท่าที่ได้ยินคนที่มีอุปจารสมาธินี่มีน้อยร้อยหนึ่งมีสักห้าน ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีอุปจารสมาธิกันงั้นถ้าไม่มีอุปจารสมาธิก็ควรจะดีใจอย่าไปเสียใจบางคนคิดว่านั่งแล้วต้องเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นเทวดาแล้วลึกชาติได้ถึงจะเรียกว่านั่งได้ผลอันนี้ไม่ใช่การจะนั่งได้ผลนี้ต้องให้มันเป็นอุเบกขาให้มันไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงดีกว่า ให้มันสักแต่ว่ารู้ไว้เฉยๆพยายามรักษาอุเบกขาไม่รักไม่ชังออกมาก็พยายามรักษามันต่อรักษาด้วยสติก็ได้รักษาด้วยปัญญาก็ยิ่งดีใหญ่ถ้ารักษาด้วยสติมันก็จะรักษาได้ชั่วคราวถ้ารักษาได้ด้วยปัญญามันก็จะรักษาได้อย่างถาวร ถ้ายัางใช้ปัญญาไม่เป็นก็ต้องใช้สติไปก่อนออกจากสมาธิมาก็พุทโธต่อไปจเจริญสติต่อไปควบคุมใจอย่าให้ไปคิดปรุงแต่งอย่าให้ไปรักไปชงังไปกลัวไปหลงเห็นอะไรจะรักก็หยุดมันเห็นอะไรจะชังก็หยุดมันไปก่อนพอเห็นอะไรชอบก็อย่าไปชอบหยุดมันพุทโธพุทโธหยุดมันไปก่อน เห็นอะไรไม่ชอบก็พุทโธพุทโธหยุดมันไปก่อนอันนี้สำหรับผู้ที่ต้องการรักษาอุเบกขาด้วยสติหลังจากออกสมาธิแล้วก็ต้องใช้สติต่อแต่ผู้ที่ใช้ปัญญาเป็นก็เอาปัญญามาสอนใจเห็นอะไรรักไล่พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยได้มาแล้วจะทุกข์เนี่ย พอรู้ว่าสิ่งที่จะได้มาจะให้ความทุกข์กับเราก็ไม่เอาดีกว่าเห็นคนนั้นคนนี้ชอบอยากจะได้เขามาเป็นแฟนเดี๋ยวเขาทิ้งเราจะทำไงเดี๋ยวเขาไปมีคนใหม่จะทำไงเดี๋ยวเขาตายจากเราไปจะจะทำอย่างไรเดี๋ยวเกิดเขาพิกลพิการไปจะทงไงตอนที่ได้เขามาดีอยู่เดี๋ยวได้มาสามวันเป็นอามาพกกำมาพานขึ้นมาจะทาไงเราจะ อยู่กับเขาต่อไปได้หรือเปล่าให้มองมองมุมกลับบ้างมองมุมลบบ้างอย่าไปมองมุมบวกอย่างเดียวอย่าไปมองว่าโอ้ยได้มาแล้วจะดีจะมีความสุขไปอย่างงู้นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปได้มาแล้วเดี๋ยวมาตีกันก็ได้มาทะเลาะกันก็ได้มาโกรธกันเกลียดกันก็ได้นี่คือปัญญาถ้าอยากจะรักษา กำจัดความรักเห็นอะไรที่รักเราชอบอยากได้ก็กำจัดมันด้วยปัญญาเห็นอะไรที่ไม่ชอบก็เหมือนกันเห็นอะไรไม่ชอบก็ใช้ปัญญาบอกว่าก็ห้ามมันไม่ได้ต้องเจอก็ต้องเจอเจอก็เฉยเฉยไปเจออะไรไม่ชอบก็อย่าไปไม่ชอบมันทำใจเฉยเฉยไปไม่ต้องไปทำอะไรมันจะไม่ชอบก็ปล่อยมันเห็นอะไรไม่ชอบก็ปล่อยวางมันให้มันอยู่ของมันไปมันจะมาก็ปล่อยมันมา เดี๋ยวมันจะไปมันก็ไปเองเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้แค่ออกมาแล้วเดี๋ยวเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ปวดท้องขึ้นมาปวดศีรษะขึ้นมาจะไปกำจัดมันก็ไม่ได้จะไปเกลียดมันก็ทุกข์ไปเปล่าๆทำใจเฉยๆอยู่กับมันไปถ้ามียากินได้ทำให้มันหายก็กินไปถ้ามันกินก็้ไม่หายก็อยู่กับมันไปไม่ต้องไปวุ่นวายไปกับมัน เพราะมันเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่อยากให้มันหายมันก็จะทำให้เราทุกข์อีกนี่คือวิธีกำจัดความรักชังกลัวหลงความกลัวก็เหมือนกันเห็นอะไรกลัวก็กลัวอะไรอย่างมากก็แค่ตายแล้วมันไม่ตายแล้วคนเรามันต้องตายด้วยกันทุกคนเมื่อถึงเวลามันหนีไม่พ้นมันก็หายกลัว น, นี่คือวิธีใช้ปัญญาที่จะทําให้ใจเราเป็นอุเบกขาไปตลอดอเห็นอะไรไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็อย่าไปสนใจอย่าไปอย่าไปอยากรู้อยากเห็นะเดี๋ยวก็หลงอีกะเดี๋ยวก็หลงผิดเป็นชอบอีกอเห็นอะไรไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ปล่อยมันไปนไม่ต้องไปยุ่งกับมันให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ไปะ เราก็จะสามารถรักษาใจให้เป็นอุเบกขาได้ตลอดถ้าเราเห็นทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นไตลักษณ์เป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาหรือเห็นอะไรที่สวยงามก็ต้องเห็นมุมกลับว่ามันมีมุมที่ไม่สวยงามเออทุกอย่างมันมีสองด้านมันมีทั้งสวยและไม่สวยมาอยู่ในสิ่งเดียวกันเอมันมีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในสิ่งเดียวกันเออให้มองให้เห็นอย่างนี้แล้วมันก็ เวลาเห็นส่วนที่ดีก็ต้องนึกถึงส่วนที่ไม่ดีแล้วมันก็จะทำให้เราไม่ไปหลงกับมันไม่ไปหลงไปรักไปช่างมันเราก็จะอยู่มันอยู่กับมันเฉยๆได้นี่คือการใช้ปัญญาเพื่อรักษาอุเบกขารักษาความสงบของใจหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วถ้ามีสปัญญาแล้วต่อไปใจจะเฉยโดยอัตโนมัติ เข้าใจแล้วมันก็จะปล่อยวางมันจะสัมผัสรับรู้อะไรมันจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงถ้ามันยังรักชังกลัวหลงก็ใช้ปัญญาเข้ามาแก้ไปเรื่อยๆแก้ไปจนกระทั่งมันไม่มีอะไรทำให้ใจเห็นแล้วเกิดความรักชังกลัวหลงขึ้นมาก็ไม่ต้องแก้กต่อไปอ น, นี่คือวิธีที่จะทำให้ใจเป็นอุเบกขาปล่อยวางสงบ ตลอดเวลาไม่ยึดไม่ติดกับอะไรเหมือนหยดน้ำบนใบบัวใจที่ไม่รับอะไรใบบัวนี่ไม่รับหยดน้ำหยดน้ำจะมาแตะใบบัวก็ต่างคนก็ต่างอยู่กันไปอะไรมาให้ใจสัมผัสรับรู้ใจก็รับรู้ไปเฉยๆแต่จะไม่มีความรักชังกลัวหลงเข้าไปดูดมันเข้ามานี่คือ ผลที่เกิดจากการใช้ปัญญาถ้าเป็นสตินี่มันถ้าเผลอไม่มีสติเมื่อไหร่มันจะดูดเข้าหากันทันทีเห็นอะไรก็จะลักทันทีจะชังทันทีถ้ามีสติก็แยกมันออกได้พอรู้ว่ากำลังรักก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธหยุดคิดถึงสิ่งที่กำลังรักอยู่เดี๋ยวมันก็เลิมมันก็หายยลมแรงฝนมา ใครจะกลับบ้านก็ได้ใครจะอยู่ก็ได้นะเพอาไม่รู้จะทาอะไรแล้วพายุมาหรือจะกระลบเข้ามาในศาลาก่อนก็ได้หรือจะรอรับพรก่อนให้พรก่อนก็แล้วกันเดี๋วคนอยากจะกลับจะได้กลับคนจะอยู่ต่อก็จะฟังต่อก็ได้ ยะถาวาะริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกะปติอิช an ิตังปัติต um ังตุมหังคิปะเมวะสมมิตาตุสัพเพปุเรนตุสังกปา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 อิวาธนาสิลิกษะนิจังวุทธาประจายิโนจตตาโรธมาวะทาติอายุวโนสุข้างพาลาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา407 YouTube 143ทางวิทยุอ Online 40 รับฟังอยู่ข้างบนเขานี้สามสิบเจ็ดคนรวมทั้งหมดหกร้อยยี่สิบเจ็ดครับก็ทุกวันก็ประมาณนี้คนที่ติดตามถ่ายทอดสดทั้งทางบ้านทางเ b o o k YouTube ทางวิทยุอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาที่ที่นี่ทุกวันก็เฉลี่ยก็ประมาณหกร้อยหกร้อยกว่า แล้วหลังจากนั้นก็มีตามชมตามดูกันอีกก็เยอะเหมือนกันนะในเ c e b o o k เห็นว่าบอกที่หกพันเจ็ดพันที่เ็าเรียกว่าชมนี่ไม่รู้หมายถึงเกิดสามวินาทีเลยหรือว่ามากกว่าสามวินาทีก็ถือว่าได้ชมแล้วเลยแต่ที่รับรู้หรือเข้าถึงนี้เป็นหมื่นนะ สี่หมื่นกว่าห้าหมื่นกว่าหกหมื่นกว่าแล้วแต่วันไม่ทราบความหมายเข้าใจไหมที่เขาบอกรับเข้าถึงเนี่ยเข้าถึงเพียงแต่เข้าไปที่ในมือถือให้ดูว่ามีรายการนี้ใช่ไหมมันจะมีกาหนดเวลาว่าเข้าประมาณสิบห้าวินะฮะคือถ้าเข้าไปแล้ว เปรับดูเนี่ยก็เข้าถึงสิบห้าวิครับแต่ถ้าเป็นแบบว่าเหมือนแบบเข้าชมเนี่ยสามนาทีพวกมีจะต้องเกินสั<อ>่งต้องต้องเกินนาทีหนึ่งขึ้นไปนเกินนาทีขึ้นไปเทีวารับชมก็มีสามในเฟซบุ๊กมันจะมีสามเลขด้วยกันอันหนึ่งพวกพวกแสดงความคิดเห็นพวกที่ส่งข้อความเข้ามา พวกที่ส่งข้อความวันหนึ่งก็สี่ร้อยกว่าห้าร้อยกว่าข้อความที่สาธุสาธุกันเนี่ยหรือส่งคำถามเข้ามาหรือแจ้งว่าเสียงไม่ดังเลยอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็มีวันละสี่ร้อยกว่าแล้วก็พวกที่รับชมนี่ก็ห้าพันหกพันสี่พันเจ็ดพันแล้วแต่วันแล้วก็เข้าถึงก็มีตั้งแต่สี่หมื่นห้าหมื่นหกมืน เจ็ดหมื่นก็มีตัวเลขหลายตัวด้วยกันในแต่ละวันมีใครอยากจะถามอะไรไหมช่วงนี้เราจะเริ่มเอาช่วงถามตอบคำถามเมื่อกี้แสดงอะไรแล้วฟังไม่เข้าใจอยากจะให้อธิบายเพิ่มเติมก็ได้ถ้ายังไม่มีใครอยากจะถามจะให้เอาคาถามทางบ้านก่อนก็ได้ มีไหมมีครับอเจี่ยคคำถามจากทางเฟซบุ๊กครับคุณแจ้งกราบนรมัส ก, การหลวงพ่อครับการที่พระใบ้หวยให้ญาติโยมจะเรียกเป็นศรัทธาวิบัติได้ไหมครับก็แล้วแต่บางทีมีศรัทธาปลุกศรัทธาก็ได้พระที่ไม่ให้หวยไม่มีใครไปหาไหมพระที่ให้หวยนี่คนเข้าวัดเป็นหมื่นเป็นพัน มันละแต่ว่าศรัทธาในทางไหนศรัทธาในทางโลกหรือศรัทธาในทางธรรมถ้าคนอยากร่มอยากรวยมันก็ไปหาพระที่ให้ให้หวยให้เบอร์พระที่ไม่ให้หวยให้เบอร์ก็ไม่มีใครไปหายังจะเรียกว่ามันก็มีศรัทธาคนถึงไปกัน นี่มันเป็นศรัทธาที่จะพาให้ติดอยู่ในเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่เป็นศรัทธาที่จะให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วคำถามจากคุณพรมพรกราบนรัส ก, การค่ะมีบางวัดนำสวดรับศีลข้อสามกล่าวว่าอภรรมจริยาเวรมณี จากที่เคยได้ยินแต่คำว่ากาเมสุมิชชาจาราหมายความว่ายังไงคะอ๋อสินข้อสามอันนี้ถ้าสิน5าจะเรียกว่าอ ะ, อะไรนะะเวลามันนี่น ะ, ะกาเมสุมิชชาจาราเวลามัน um ah ีคือไม่ประพฤติผิดประเวณีประเพณี คือจะเสพการนี้จะเสพกับสามีภรรยาของตนเท่านั้นส่วนอพปปร ม, มัจรายาก็คือจะถือพรมจันคือจะไม่เสพกามกับใครไม่ร่วมเสพร่วมหลับนอนกับใครอันนี้สําหรับศีลแปดถ้าขอศีลแปดศีลก็สามเขาจะเปลี่ยนเป็นอัปปร ม, มจรายาถ้าศีลถ้าขอศีลห้าเขาก็จะ เปลี่ยนเป็นการมีสุมิจฉาจาราเวระมณีนี่แล้วแต่ว่าเราขอสีนอะไรแต่เมื่อกี้เขาบอกขอศินแปดและสินห้าเราไม่ได้บอกไม่ได้บอกครับอะจะไดงว่าคงจะให้สินแปดถ้าศินแปดก็ต้องเป็นอ布รมจริยาเวรมณีถ้าศีลห้าก็การมีสุมิชฌาล า, าเวรมณีอย่างพวกที่นุ่งขาวขาวนี่ถือว่ากําลังถือศีลแปด ไม่นอนกับใครไม่ร่วมหลับนอนกับใครแต่คนที่ยังถือศีลห้าอยู่สะวอยังมีสามียังมีภรรยาอยู่ก็ต้องร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของตนถ้าเป็นโนก็ห้ามนอนกับใครนอกจากหมอนข้างนอนกับหมอนข้างได้อยู่ไม่ผิดไม่ผิดศีลข้อสาม ถ้าไปนอนกับคนที่ไม่ใช่เป็นสามีเป็นภรรยานี่จะถือว่าเป็นผิดศีลข้อที่สามคำถามจากคุณพิมพรกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลาหนูใส่บาตรบางครั้งเราไม่มีอาหารหรือข้าวสวยแต่เป็นน้ำนมขนมผลไม้จะได้ไหมเจ้าค่ะ ผิดไหมเจ้าค่ะอ๋อไม่ผิดหรอกขอให้ถวายของที่ท่านฉันได้ไม่ต้องเอาไปต้มเอาไปแกงเอาไปทําก็แล้วกันขอให้เป็นของที่บริโภคได้อย่าใส่ผักอย่าใส่เนื้อใส่อะไรไปแล้วให้พระไปทําเองอย่างนี้ไม่ได้พระไม่มีหน้าที่ที่จะทำกับข้าว อ, อาวตารเจ้าไม่ต้องการให้พระมาเป็นพ่อครัวก็เลยให้ญาติโยมถวายของสดของที่รับประทานได้ ของที่รับประทานไม่ได้นี่อย่าอย่าถวายมีอะไรมากน้อยแล้วแต่ศรัท ธ, ธามีข้าวทัพพีเดียวก็ได้ถ้าไม่มีอะไรจริงๆมีแต่ข้าวเปล่ า, าจะใส่ข้าวเปล่ า, าก็ได้อันนี้แล้วแต่ศรัท ธ, ธาแล้วแต่กําลังของของตนที่มีจะให้คําถามจากคุณธีรศักดิ์ กราบเรียนถามพระอาจารย์หากทำสมาธิแล้วจิตสงบจนบางครั้งลมหายใจหายไปเกิดความกลัวควรกำหนดจิตอย่างไรต่อไปครับออต้องทำาังพระอจายก่อนว่าการนั่งสมาธิดูลมหายใจนี้ไม่ได้ทำให้คนตายนี่จะทำให้คนใจสงบ พียงแต่ว่าเวลาใจสงบนี่มันร่างกายไม่ต้องหายใจมากมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้หายใจมันนานๆนจะหายใจสักครั้งหนึ่งมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่ได้หายใจก็ไม่ต้องไปกลัวทำวามเข้าใจก่อนว่าเวลานั่งไปแล้วพอจิตเริ่งสงบเข้าลมหายใจมันจะแผ่วลงแผ่วลงเบาลงเบาลงยาวขึ้นห่างขึ้นไปห่างขึ้นไป จน ร, รู้สึกว่าบางทีมันไม่ได้หายใจก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจให้ดูปอดแล้วดูต่อไปดูความว่างไปดูว่าตอนนี้ไม่มีลมหายใจดูว่ามีความคิดอยู่หรือเปล่าถ้ามีความคิดก็หยุดเหมือนอย่าให้มันคิดแล้วเดี๋ยวใจก็จะนิ่งสงบไปรวมเข้าไปแล้วก็จะวางเฉยสับตะวันดู คำถามจากคุณลลิดากราบเรียนถามพระอาจารย์หากนั่งสมาธิแล้วจิตสงบจนเหมือนมีอาการลืมตาควรกำหนดจิตอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆไหมคะหรือควรทำอย่างไรขอกราบขอบพระคุณเจ้าคะ่ะถ้ามันลืมตาก็หลับตาสิ <c oughs> แสดงว่ามันไม่สงบแล้วถ้ามันแตงลืมตาถ้ามันสงบมันจะไม่ลืมตา ถ้ามันลืมตาถ้าอยากจะนั่งต่ออยากใช้มันสงบต่อก็หลับตาแล้วก็ดูลมต่อไปหรือพุโทโธต่อไปต่อบางทีมันสงบไม่นานไงสงบได้สักระยะหนึ่งแล้วมันก็จะถอนออกมาถ้าอยากย้านั่งต่อก็ทำใหม่ต่อไปถ้าไม่อยากจะนั่งจำเป็นจะต้องไปทำอะไรก็ลุกขึ้นไปถ้าเป็นผู้ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืน ถ้านั่งไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาเดินต่อเดินแล้วก็จเจริญสติต่อควบคุมความคิดต่อไปอย่าปล่อยให้คิดให้อยู่กับพุทโธอยู่กับเท้าที่เดินก็ได้คำถามจากคุณรูปนามพระอริยบุคคลที่ไม่ใช่พระอรหรันจะไปเกิดที่ภูมิสุทาวาสเพื่อบำเพ็ญบุญต่อไปใช่หรือไม่ครับ ต้องเป็นพระ อ, อนาคามีถึงจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นรูปประพรมไปอยู่ห้าห้าชั้นด้วยกันจำชื่อไม่ได้แต่ถ้าเป็นพระ อ, อนาคาพระโสดาบันพระสกิรดาคามียังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ยังเกิดอยู่ในกามพบเอยู่เป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาต่อจนกว่าจะบรรลุขึ้นไปเป็นพระ อ, อนาคามี ถึงจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรมแล้วพอไปเป็นพระอาหารหันต์ก็จะไปอยู่ในนิพพานต่อไปนิพพานนี้เป็นสวรรค์เหนือสวรรค์เลยสวรรค์ขึ้นไปผ่านสวรรค์ชั้นเทพชั้นพรมก็ไปถึงชั้นนิพพานชั้นที่ไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปคำถามจากคุณพัฒน ผมมีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังคดนั่งสมาธินา น, านเดินนา น, านได้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าผมใช้วิธีปฏิบัติสลับกันอย่างนี้จะทำให้เข้าถึงอุเบกขาได้หรือไม่ครับหรือมีวิธีอย่างไรอีกครับด้านก็ให้มีสติดีๆเน่ยเพราะถ้ามีสติดีๆนั่งหานาทีก็เข้าอุเบกขาได้แล้ว งั้ไม่มีน่าไม่น่าจะมีอุปสรรคก็สามารถที่จะปฏิบัติได้คำถามจากคุณไมเคิลขอความเมตตาพระอาจารย์เจ้าคะ่ะทำอย่างไรจึงจะมีสมาธิไม่ท้อหรือฟุ้งซ่านในการอ่านหนังสือเจ้าคะออก็ต้องฝึกสติหันฝึกสติคารควบคุมใจอย่าให้ลอยไปลอยมา พยายามดึงให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธเลยให้ดึงอยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทําต่างๆของร่างกายพยายามระงับความคิดต่างๆคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ดึงกลับมาที่พุโทโธพุธโทโธหรือดึงมาอยู่ที่ร่างกายว่ากําลังทําอะไรอยู่ดูทิดูร่างกายไปแล้วต่อไปจะทําอะไรก็จะมีสมาธิกับงานที่เราทำํำครศัพท์ว่าสมาธินี้เคยสติ สมาธิจริงๆนี้หมายถึงจิตรวมเป็นหนึ่งสงบแต่เราเอาคําว่าสมาธิมาใช้กับแทนสติกันวันนี้ไม่มีสมาธิในการทํางานเลยไม่มีสมาธิกับการเรียนหนังสือเลยตามจริงมันต้องใช้คําว่าสติใจไม่มีสติอยู่กับงานไม่มีสติอยู่กับการอ่านหนังสือไม่ใช่สมาธิเราใช้คําคําผิดไปพอมาพูดถึงสมาธิเลยเข้าใจผิดกัน คิดว่าสมาธิก็คือสติเข้าใจคือคิดว่าคาว่าสมาธิก็คือสติแต่ความจริงมันไม่ใช่สมาธินี่มันเป็นผลที่เกิดจากการมีสติจากการที่เราสามารถควบคุมใจให้อยู่กับเรื่องเดียวและไม่คิดปรุงแต่งเช่นอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับพุทโธ แล้วมันก็จะนิ่งคาว่าสมาธินี่คือความนิ่งไม่ทำงานไม่ดูหนังสือไม่ทำงานอะไรทั้งนั้นจะปล่อยวางทุกอย่างแม้แต่ร่างกายก็แยกออกจากกันไม่ไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เรียกว่าสมาธิแต่เราเอาคำนี้มาใช้กับคำว่าสติ คือสติก็คือให้จิตใจเกาะติดอยู่กับงานที่เรากําลังทำอยู่หรือหนังสือที่เรากําลังอ่านอยู่นี่เรียกว่าสติมีสติอยู่กับการอ่านหนังสือไม่ควรจะพูดว่ามีมีสมาธิกับการอ่านหนังสือมีสมาธิกับการทำงานใช้คำผิดตามหลักความเป็นจริงคาว่าสติ เป็นคำที่ต้องใช้แต่เราเอาคำว่าสมาธิมาใช้เราเลยไม่รู้ว่าสติแปลว่าอะไรก็คำว่าสมาธิที่เราใช้กันทุกวันนี้มันเป็นสติแต่คำว่าสมาธิจริงๆเราไม่มีวันรู้เพราะเราไม่เคยเข้าถึงมันเข้าใจไหมชีวิตคาราว่านี้ไม่มีใครเข้าเข้าพบกับสมาธิได้เพราะจิตมันออกข้างนอกตลอดเวลาออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายตลอดเวลา มันไม่เคยปล่อยรูปเสียงกลิ่นนดมันเลยเข้าไปข้างในเข้าไปหาสมาธิไม่ไม่ไม่เจอไม่เป็นสมาธิอยู่ข้างในงนั้นเราใช้คาผิดมันก็เลยสอนสอนธรรมะยากอ่านหนังสือธรรมะก็เข้าใจยากเพราะคำมันผิดไปหมดสมาธิก็ผิดเวทนาก็ผิดอ่านเวทนาก็แปลว่าความสมเพศเวทนาไปนู่นความจริงเวทนาแปลว่าความรู้สึก สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่เรียกว่าเวทนาเวทนามีสามชนิดด้วยกันเวลาเรามีความสุขนี่เราก็เรียกว่าสุขเวทนาเวลาเรามีความทุกข์ก็เรียกว่าทุกข์เวทนาเนี้มันใช้ผิดกันไปหมดเล ย, เลยพอมาเรียนธรรมะก็เลยเข้าใจผิดกันไปหมดเลยไปไม่ถึงไหนต้องมา ทำความเข้าใจกันใหม่เหมือนกลับมาเริ่มเรียนภาษากันใหม่ก่อนภาษาพระกับภาษาโลกนี้มันใช้คำเดียวกันแต่ความหมายมันไม่เหมือนกันมีหลายคำด้วยกันที่มันใช้คำเดียวกันแต่ความหมายมันไม่เหมือนกันคำถามจากคุณการนากราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิ แล้วเจริญทางด้านปัญญาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงจิตของดิฉันทำไมถึงหมุนเหมือนร่างกายจะหมุนตามดิฉันต้องทำอย่างไรต่อเจ้าคะไม่ทราบว่าที่ทำนั้นถูกหรือเปล่าผิดนะซนั่งสมาธิไปพิจารณาปัญญาทำไมการนั่งสมาธิต้องการหยุดการคิดต่างๆ แม้แต่ปัญญาก็ไม่ให้คิดนั่งสมาธิให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวหรืออยู่กับลมหายใจไปอย่างเดียวถ้าอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจจิตจะนิง่งจะไม่หมุนจะไม่มีอะไรอาการอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมานั้นอย่าไปนั่งพิจารณาปัญญาถ้านั่งพิจารณาปัญญาเราไม่เรียกว่านั่งสมาธิเราเรียกว่านั่งวิปัสสนา ถ้าอยากจะนั่งวิปัสสนาก็ต้องพิจารณาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเช่นพิจารณาร่างกายเกิดแก่เจ็บตายดินน้ำลมไฟอาการสาวทิศสองไม่มีตัวไม่มีตนน่่งกายไม่เที่ยงตรองอางนั้นเรียกว่าการพิจารณาทางปัญญาแต่พิจารณาไม่ได้ไม่ได้ผลถ้าไม่มีสมาธิก่อนงั้นอย่าไปพิจารณา ถ้ายังไม่มีสมาธิยพิจาราก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนเดินยังเดินไม่ได้อย่าไปวิ่งวิ่งเดี๋ยวก็ล้มหัดเดินให้ได้ก่อนมันมีขั้นมีตอนของมันเดี๋ยวเอาไมโครโฟนนะเดี๋ยวหยิบไมโครโฟนนะพูดใกล้ๆปากเลยกราบบัตรการท่านพระอาจารย์ที่กรลบังสูงครับ คำว่าถูกว่าผิดก็ผมก็ได้ยินการอัลลาธนาธรรมของชาวบ้านต่างๆบางท่านก็ใช้คําว่าพรห ม, มาจรรกาบางท่านก็ใช้พรห ม, มาจรรกาอันอันนี้มันจะใช้ได้ทั้งสองคำหรือว่าผิดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งกับกับนักการครับท่านอออานต่อมาไม่รู้หรอกต้องไปถามผู้เทว์รที่นี้ไม่มีการอรัลลาธนาเอากันเลยไม่ต้องไหว้ครูอันนั้นก็เป็นเพียงพิธีกรรมด้านนั้นเองก็นองไป ถามผู้รู้ทางทางนี้เขาก็แล้วกันะมีความจริงอาลาธนาก็ได้ไม่อาลาธนาก็ได้ถ้าโยมมานี่ก็แสดงว่าโยมมาลาธนาโดยโดยพฤติกรรมแล้วไม่ต้องโดยทางวาจามานี่ก็อยากจะมาฟังธรรมอยู่แล้วก็ไหยไม่ต้องอาลาธนากันแต่ที่เขาทําทําเป็นธรรมเนียมทําเป็นรูปแบบเพื่อให้รู้ว่าพระนี้ไม่ควรจะแสดงธรรม ถ้าไม่มีใครเขาอยากจะฟังพูดง่ายๆอย่าไปบังคับให้คนมาฟังคนจะฟังต้องขอให้พระแสดงธรรมไม่ใช่ให้พระมาบังคับให้โยมมานั่งแล้วก็มาฟังธรรมอันนี้ไม่ใช่เท่านั้นเองนี่คือความหมายต่อไปคำถามจากคุณเอกราบนมัสการพระอาจารย์ ถ้ามีคนมายืมเงินเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็อ้างปัญหาชีวิตต่างๆนาน า, นาแต่เราก็รู้ว่าเขาเป็นคนใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่จัดสรรเวลาฉุกเฉินเคยบอกหลายครั้งแล้วด้วยค่ะเราควรให้เงินเขาไหมคะหนูให้มานานมากเพราะสงสารแต่ก็รู้สึกว่าเขาเคยตัวจะวางใจอย่างไรดีเจ้าคะ เกอต้องใช้เหตุผลว่าเราต้องการจะช่วยแล้วเขาจริงๆหรือเปล่าถ้าชื่อหรือว่เขาจริงๆแล้วก็ต้องดูว่าช่วยเขาแล้วทำให้เขาดีขึ้นหรือเลวลงถ้าให้เงินเขาแล้วเขาเลวลงคือเขาเขาช่วยตัวเขาเองไม่ได้ก็อย่าให้เขาดีกว่าเพราะไม่ได้ช่วยเขากลับทำให้เขาไม่พึ่งตนเองดันั้น เมื่อเราให้เงินเขาแล้วแทนที่เขาจะไปหางานทำเขาก็ไม่เอาเงินไปใช้ต่อไม่หาเงินเองเพอเงินหมดก็มาขอเราต่ออย่างที่มีสุภา ษ, ษิตจีนก็บอกว่าอย่าให้ปลาสอนให้เขาหาปลาดีกว่าเวลาเขาไม่มีข้าวไม่มีปลาเขามาขอปลาเราเราก็อย่าให้เขาเราพาเขาไปจับปลากันดีกว่าสอนให้เขารู้จากวิธีจับปลา เขาจับปลาเป็นแล้วเขาก็ไม่ต้องมาขอเราฉะเห็นใครมายืมเงินเราก็พาเขาไปหาเงินดีกว่าพาเขาไปทํางานดีกว่านี่คืออยากจะได้เงินไปเดี๋ยวไปทํางานเอไปไปทํางานที่ปั๊มก็ได้ที่ไหนก็ได้ออหางานทําเอทําแล้วเดี๋ยวก็มีรายได้เออขาต่อไปก็จะได้ไม่ต้องมาขอเรา ถ้าเขาบอกว่าเขามีงานแล้วแต่เขาใช้มากก็สอนวิธีใช้ให้เขาสิใช้ใช้เงินอย่างไรออใช้กับสิ่งที่จำเป็นอันไหนไม่จำเป็นก็อย่าไปใช้ถ้าไม่มีอย่าไปซื้อซื้อของที่จำเป็นก่อนของที่ไม่จำเป็นอย่าไปซื้ออย่างนี้ต้องต้องสอนเขาให้เขารู้จักบริหารเงินให้รู้จักบริหารรายรับรายจ่าย แล้วต่อไปเขาจะได้ไม่ต้องมารบกวนเรานี่คือวิธีช่วยเหลือที่ที่ถูกต้องถ้าช่วยเหลือด้วยการให้เดี๋ยวก็มาขออยู่เรื่อยๆอย่างที่เล่ามาให้ฟังก็จะขอไปเรื่อยๆคําถามจากคุณสุ ป, ประวีกราบนมัสการหลวงพ่อคะ่ะขอความกรุณาอธิบายเรื่องผู้รู้ผู้รู้คือใครเจ้าคะ่ะ เกิดเราเนี่แหละคือผู้รู้เนี่ยใครจะรู้ล่ะเนี่ยที่พูดเนี้ใครรู้ล่ะที่เราพูดอยู่เนี่ยใครกําลังรับรู้ก็คือใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงตัวเชื่อมระหว่างเสียงกับใจผู้รู้ร่างกายมีหูร่างกายเป็นผู้รับหูแล้วส่งเสียงนี้ไปให้ใจอีกทีคือผู้รู้คือเราเนี่ย เวลาเราฟังอะไรแล้วเรารู้เราก็พยักหน้าพยักหน้าคนที่พยักหน้าไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นผู้ทูกสั่งให้พยักถ้าไม่มีคนผู้รู้คือเราสั่งให้มันพยักหน้ามันก็ไม่พยักหน้าดังนั้นร่างกายเป็นเพียงตัวเชื่อมระหวา่างรูปเสียงกิ่นรถ กับผู้รู้คือใจคือเราเราคือผู้รู้เนี่ยเราคือผู้คิดเนี่ยเราคิดว่าแต่เราไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายความจริงร่างกายเป็นเพียงแต่เป็นผู้มาทําหน้าที่รับรูปเสียงกิริย์ลดมาให้เราอีกทีหนึ่งถ้าเราไม่มีร่างกายไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะไม่สามารถรับรูปเสียงกิริย์ลดเข้ามาได้ แต่ไม่ถึงแม้จะไม่มีรูปเสียงกินรถเข้ามาผู้รู้ก็ยังรู้อยู่รู้แบบไม่มีไม่มีอะไรให้รู้ก็มารู้กับความคิดของตนมามารู้กับความคิดเช่นเวลาเราหลับตามองไม่เห็นอะไรแต่เราก็ยังคิดอยู่เราก็รับรู้กับความคิดที่เราคิดขึ้นมาเองหรือเวลาเรานอนหลับมันก็เป็นความฝันก็เป็นเรื่องที่เราคิดขึ้นมาฝันขึ้นมาในใจเรา สรุปแล้วคือใจผู้รู้ก็คือใจที่นอกจากรู้แล้วยังคิดได้แล้วก็มีความรู้สึกด้วยผู้ที่รู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็คือใจนี่ผู้รู้ผู้คิดนี่นั้นสรุปแล้วคําว่าใจก็แปลว่าผู้รู้มีความรู้สึกนึกคิดก็คือมีขันห้ามีขันสี่ไม่ใช่ขันห้า มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพื่อที่จะได้ให้ผู้รู้รู้อะไรต่างๆได้ต้องมีขันสี่คือมีเวทนาสัญญาสังขารถ้าอยากจะรู้รูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีร่างกายถึงต้องมีขันห้าเราจึงมีขันห้ากันมีร่างกายมีเวทนามีสัญญาสังขารวิญญาณเพื่อให้เราได้รับรู้เรื่องราวต่างๆ ที่อยู่ภายนอกใจถ้าเราไม่ต้องการรู้เรื่องภายนอกใจเราก็รู้ไม่ต้องมีร่างกายเราก็สามารถรู้เรื่องเราที่อยู่ภายในใจของเราได้ซึ่งนอกจากใจของเราแล้วเราก็ไปรับรู้เรื่องใจของคนอื่นได้ไปรู้ความคิดของคนอื่นได้โดยไม่ต้องมีร่างกายไม่ติดต่อกับพวกที่ไม่มีร่างกายนะพวกที่มีแต่ใจที่เราเรียกว่าดวงวิญญาณดวงวิญญาณก็คือใจละ ใจที่ไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณเป็นเทวดาก็เป็นดวงวิญญาณอย่างหนึ่งเป็นผีเป็นเปรตก็เป็นดวงวิญญาณอีกอย่างหนึ่งก็เป็นดวงวิญญาณเป็นดวงใจเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้มีความรู้สึกเหมือนกันคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหากพระที่ท่านต้องอาบัติปารชิกหากท่านลาสิกขาแล้วสามารถบวชใหม่ได้ไหมครับ อ๋อไม่ได้แล้วถ้าถ้าเป็นปาราเชินนี้ท่านห้ามบวชใหม่ท่านบอกว่าบวชก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าจิตใจไม่ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ของพระได้อย่างเต็มที่นั้นคือท่านต้องท่านต้องห้ามไว้เพราะว่าจะได้ไม่กล้าทากันเพราะเป็นการกระทําที่รุนแรงที่สร้างความเสียหายให้กับ ผู้อื่นและศาสนาถ้าใครไปทำผิดปาราชิกสีปาราชิกสีก็มีหนึ่งการไปร่วมหลับนอนกับาสามาผู้หญิงสีก า, าแล้วก็การไปฆ่ามนุษ ย, นย์การลักทรัพย์ยและการอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในต น, นอันนี้เป็นการกระทาที่จะนำความเสื่อมเสียมาให้กับศาสนา และกับผู้กระทาเองและผู้ที่ถูกกระทําำก็เลยต้องถือว่าเป็นโทษที่ร้ายแรงห้ามโดยเด็ดขาดถ้าทําแล้วก็ก็ไม่หมดสิทธิ์ที่จะกลับมาเป็นพระได้อีแต่ยังจะปฏิบัติทำได้เป็นคารวะก็ยังปฏิบัติได้อยู่เหมือนเดิมยังนั่งสมาธิยังจเจริญสติยังฟังเทศฟังธรรมได้เหมือนกับพระเหมือนเดิมเพียงแต่ไม่ให้มาเป็นพระเท่านั้นเอง คำถามจากคุณอัชราถ้าเกิดเรามีเวทนาทางใจเราควรกำหนดจิตใจเราอย่างไรค ะ, ะก็ให้รู้เฉยๆไงรู้ว่าเวทนาไม่เที่ยงมีสามชนิดมีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์เหมือนฝนฟ้าอากาศบางทีก็แดดออกบางทีก็ฝนตกเราทำอะไรมันไม่ได้ เมื่อกี้ฝนจะตกเราก็หนีอย่างเดียวหลบฝนแต่เราไปหยุดฝนไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับมันไปมีเวทนาก็ อ, อยู่กับมันไปสุขก็อยู่กับมันไปทุกข์ก็อยู่กับมันไปไม่สุขไม่ทุกข์ก็อยู่กับมันไปอย่าไปอยากเพราะอยากแล้วมันจะทําให้ใจทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง เช่นมีสุขเวทนาอยากให้มันสุขไปนานๆมันก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วเป็น แ, แต่คิดว่าเดี๋ยวความสุขตอนนี้ที่เรามีอยู่เดี๋ยวก็หมดละพอคิดแค่นี้ใจก็ไม่สุขแล้วงั้นอย่าไปทำอะไรกับเวทนาอย่าไปทำอะไรกับทุกอย่างเป้าหมายคือให้ใจเป็นอุเบกขาเฉยๆไปตลอดอย่าไปรักไปชังกับอะไรทั้งนั้น เวทนาสุขก็อย่าไปรักมันอย่าไปชอบมันทุกขเวทนาก็อย่าไปเกลียดมันเพราะถ้าไปรักไปชังแล้วมันจะดิน้นใจเราจะดิน้นถ้าเราไม่รักไม่ชังไม่ชังใจเราจะเฉยใจเฉยแล้วใจจะสงบมีความสุขถ้าใจดิ้นแล้วใจจะวุ่นวายจะเดือดร้อนคำถามจากคุณน้องกราบเรียนถามพระอาจารย์พระเล่นเฟซบุ๊ จะเป็นบาปใหม่เจ้าคะก็ น, นี่ก็เล่นอยู่นี่บาปป่ะเปล่านี่อย่างนี้ถือว่าเล่นหรือเปล่าไม่ได้เล่นนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใช้มันเพื่ออะไรอันนี้ก็เป็นเหมือนอเครื่องมืออันหนึ่งเฟ e b ุ๊กก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งจะใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ได้ใช้ให้เกิดโทษก็ได้เหมือนกับมีดเนี่ยมีดเอามาทำประโยชน์ก็ได้เอามาหั่นผักหั่นเนื้อทำกับข้าว รลอเอาไปฝันคนไปแทงคนก็ได้เฟซบุ๊กก็เหมือนกันเอามาทำประโยชน์ก็ได้ทำโทษก็ได้แล้วแต่ยันอยู่ที่ว่าเล่นแบบไหนเล่นเพื่อให้เกิดประโยชน์ก็ไม่น่าจะเสียหายตรงไห น, นถ้าเล่นแล้วเกิดโทษกับตนเองแล้วเกิดโทษกับผู้อื่นก็อย่าเล่นดีกว่าคำถามจากคุ ณ, ณคนครกราบนามัสการพระอาจารย์ครับ อยากทราบว่าศรัทธาความเชื่อปัญญาอย่างไหนเกิดขึ้นก่อนหลังครับถ้าไม่มีปัญญามันก็ต้องอาศัยศรัทธาก่อนคนเรามันไม่มันมีหลายรูปแบบบางคนก็มีปัญญาบางคนก็ไม่มีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาก็ต้องมีศรัทธาเชื่อคนที่มีปัญญาก่อนเข้าหาคนที่มีปัญญาสอนเรา เพื่อให้เราได้เกิดปัญญาขึ้นมาในเวลาเราไปศึกษากับใครเราก็ต้องเชื่อว่าเขาจะต้องสอนเราได้ใช่ไหมถ้าเราไม่เชื่อว่าเขาสอนเราได้เราก็ไม่ไปหาเขาเหมือนเราไปโรงเรียนนี่เรามีศรัทธากับโรงเรียนหรือเปล่าต้องมีศรัทธาใช่ไหมว่าถ้าเรียนโรงเรียนนี้แล้ว เ, เดี๋ยวเขาจะสอนให้เราเป็นบัณฑิตได้จบปริญญาตรีได้เราก็ต้องมีศรัทธา แต่ถ้าเรามีถ้าเรามีปิญญาแล้วเราก็ไม่ต้องมีศรัทธาเราไม่ต้องไปเรียนกับใครก็ได้ถ้าเรารู้แล้วอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้แล้วไม่ต้องไปเรียนกับใครพระพุทธเจ้าไม่ต้องมีศรัทธากับใครแต่ตอนต้นก็ต้องมีศรัทธาตอนต้นพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติสมาธิพระพุทธเจ้าก็ต้องไปเรียนกับอาจารย์ที่รู้จักวิธีปฏิบัติสมาธิ แต่พอถึงขั้นปัญญานี้ไม่มีใครรู้หาอาจารย์ใครสอนไม่ได้ก็เลยไม่รู้จะไปมีศรัทธากับใครขั้นอยากจะรู้อริยสัจสีไม่มีใครรู้อยากจะรู้ไตรลักษณ์ไม่มีใคร ส, สอนได้พระองค์เลยต้องไปค้นคว้าหาด้วยตนเองอันนี้ก็เลยไม่มีศรัทธามีแต่การความปยาญาค้นคว้าหาด้วยปัญญาของตนเอง แค่นมันมันไม่ได้อยู่ที่ว่าปัปัญญามาก่อนหรือศรัทธา ม, มาก่อนมันอยู่ที่ว่าเราขาดอะไรถ้าเราไม่มีอะไรเราก็ต้องหาสิ่งนั้นถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ต้องไปหาคนที่เขามีปัญญาอล้ว เ, เรียนจากเขาจะเรียนจากเขาเราก็ต้องมีศรัทธาในตัวคนสอนถ้าไม่มีศรัทธามไม่เชื่อว่าเขาจะสอนเราได้เราจะไปเรียนกับเขาปะ เ, เราก็ต้องไปเรียนกับคนที่เรามีศรัทธาคือเชื่อ ว, ว่าเขาสอนเราได้นั่นเาสอนเราได้เราก็ไปเรียนกับเขาพอเราเรียนกับเขาเราก็จะได้ปัญญาจากเขามาอย่างพวกเราก็มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อ ว, ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะสอนให้เราฉลาดให้เร า, เาสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้สามารถสอนให้เราอยู่อย่างมีความสุขได้ตลอด ไม่โดยไม่มีความทุกข์เลยนี่คือศรัทธาความเชื่อเพราะเราไม่รู้จักวิธีที่จะทำให้เราสงบทำให้เรามีความสุขไม่มีความทุกข์เราก็เลยต้องไปหาคนที่รู้จักวิธีเราก็ต้องเชื่อคนนั้น เชื่อว่าพระพุทธเจ้าสอนเราได้เชื่อว่าคําสอนของพระเจ้าที่มีบันเทิงไว้ในพระไตรปิฎกสอนเราได้เชื่อว่าพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าสอนเราได้อย่างนี้เราเรียกว่าศรัทธา ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราถึงถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเการถือสารณะก็ถือว่าเราเชื่อว่าท่านเป็นที่พึ่งของเราได้เราถึงกล่าวพุทธังธรรมังสังฆังสารณังกัจฉามิด้วยจัตตาเพราะเราไม่มีปัญญาในตัวเราเองเลยต้องมาพึ่งปัญญาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติตาม ถ้าเราได้ศึกษาแล้วเรานำออกไปปฏิบัติก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาตามลำดับต่อไปเรามีปัญญาแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งพระพุทธพธรรมพร ะ, พระสงฆ์อีกต่อไปคำถามจากคุณไทยในกรณีมีผู้อ้างว่าอันนี้เป็นคำสอนของพระศาสดา เราจะทราบได้อย่างไรว่ามันเป็นอันที่จริงครับ oh. ก็พระพุทธเจ้าสอนในการลามัสูตรไงอย่าเพิ่งไปเชื่อเขาจะว่างยังไงจะพูดยังไงก็อย่าเพิ่งไปเชื่อเราต้องไปค้นคว้าดูก่อนไปพิสูจน์ก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดมานี้จริงหรือไม่จริงถ้ายังพิสูจน์ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อแต่อย่าไปปฏิเสธนะครเพราะเราไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริง ถ้าจริงเราไปปฏิเสธก็อาจจะเสียเสียโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งที่มีประโยชน์กับเราก็ได้แต่ถ้าไม่จริงเราไปเชื่อเดี๋ยวก็ถูกหลอกได้เฉะนั้นต้องอย่าไปเชื่อเข <c oughs> าเรียกว่าฟังหูไว้หูก่อนแล้วก็ไปพิสูจน์ดูเช่นเขาเอาทองคามาขอแลกเงินเอาทองคาสิบบาทมาแลกทองคําบาทอย่างนี้เราจะให้เขาป่าเขาหลอกของเขา ของเขามันไปขายไม่ได้ของเขาโมยมาอย่างเงี้ยแต่ของเรามีมีใบรับรองจากร้านเียขาจะขอบาทหนึ่งแต่เอาของเขาสิ บ, บาทมาให้เราสิบบาทก็ไปเก็บมาได้ก็ไม่มีใบรับรองสมมุติอ้างเหตุอย่างเงี้ยเราจะเชื่อเขาเป่าเราก็ต้องไปไปพิสูจน์ดูก่อนนะไปที่ร้านทองที่เราเชื่อถือได้แล้วให้เขาดูว่ามันเป็นทองทองแท้และทองทองปลอมก่อนเ อันนี้ก็คือเรื่องของการพิสูจน์อย่าไปเชื่อว่าเขาพูดอะไรแล้วมันจะเป็นอย่างที่เขาพูดคนมักจะหลอกเราเรื่อยให้เวลามายืมเงินเราเดี๋ยวสามวันจะมาคืนรับรองได้สามวันมาคืนไม่ไม่คืนหรอกหายเลยพอได้เงินแล้วก็หายหน้าเลยไม่เจอเลยถ้าอยากจะให้เขามานี่ต้องมีมีเขาเรียกอะไรมีหลักทรัพย์มามีหลักประกันใช่เอาบ้านเอาที่ดินมา ไหวเสร็จแล้วเอาเงินไปอย่างนี้รับรองได้ไม่ไม่หายไปเราก็ยังต้องกลับมาเอาบ้านเอาโฉนดอยู่ยงั้นจะทํำอะไรเราต้องรอบครอบออย่าให้เขาหลอกเราอย่าเชื่อฟังคําพูดใครๆก็พูดได้จะพูดยงไงก็พูดได้มันง่ายจะตายแบบพูดนแต่มันจริงหรือเปล่า อันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะต้องมาวิเคราะห์มาพิสูจน์กันอีกทีหนึ่งก่อนการไม่เชื่อใครนี้ไม่เป็นการเสียหายไม่เป็นการลบหลูเขาไม่ได้เป็นการไม่เคารพเขานอะมันเป็นเรื่องจริงที่เราจะต้องพิสูจน์ก่อนเนอะไม่ว่าจะเป็นใครเนะีย่ยนไปอ่านในกาลามาสูตร ด, ดีท่านสอนวิธีสิบวิธีด้วยกันไม่ว่าใครอย่ามาบอกอะไรเราอย่าเพิ่งไปเชื่อแม้แต่เป็นครูบาอาจารย์มาบอกว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นก็อย่าเพิ่งไปเชื่อ ต้องเอาไปพิสูจน์กันเนี่ยเย่างพระอุทตเจ้าบอกว่าไม่ต้องเชื่อคําสอนของพระอุตตเจ้าต้องเอาไปพิสูจน์กันนรกมีจริงสวรรค์มีจริงเนี่ยท่านพูดเราไม่ต้องเชื่อเอาไปพิสูจน์กันแล้วเดี๋ยวเราเห็นแล้วเราก็เชื่อเองแล้วก็จะรู้เองว่าจะเชื่อดีหรือไม่เชื่อดีคําถามจากคุณสุประวีเราจะรู้ได้อย่างไรว่าบุคคลใดเป็นพระอริยะ ขั้นพระโสดาบันเราก็ต้องเป็นโสดาบันด้วยกันเลยแล้วต้องคุยกันเหมือนกับคนจบปริญญาตรีพอเจอกันก็คุยเรื่องปริญญาตรีได้แต่คนที่ไม่จบปริญญาตรีมาคุยก็จะคุยไม่ได้ฉะนั้นคนต้องมีภูมิด้วยกันเท่ากันถึงจะรู้ว่าภูมิของของแต่ละคนแต่คนที่มีภูมิสูงกว่าเราจะไม่รู้ เราจะรู้ว่าคนที่มีภูมิเท่ากับเราหรือต่ํากว่าเราเวลาเราคุยกับเขาเวลาเราทดสอบกันเราสามารถทดสอบความรู้ได้ของแต่ละระดับแต่ถ้าเราไม่มีความรู้ที่สูงกว่าเราจะไปทดสอบคนที่ที่สูงกว่าเราไม่ได้เช่นพระโสดาบันจะไม่รู้ว่าใครเป็นพระอนาคามีใครเป็นพระอรหันต์คุยกันก็จะไม่รู้ว่าท่านเป็นอรหันต์จริงหรือไม่จริงเอ แต่ถ้าเป็นป้าอารหันด้วยกันคุยกันจะรู้จะมีวิธีซักถามกันได้พิสูจน์กันได้ว่าอพูดจริงหรือพูดเก๋ออันนี้สามารถทดสอบได้ดังนั้นถ้าเรายังไม่เป็นก็อย่าไปกังวลมีทงที่จะรู้ว่าใครเป็นป้าหล า, านหรือไม่ก็ตอนที่ท่านตายไป ตามปกติพระหลารกระดูกจะกลายเป็นพระธาตุไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกองค์จะกลายเป็นพระธาตุบางองเป็นหลานแต่ไม่ได้เป็นพระธาตุก็มีเช่นเป็นน้าตายไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะปล่อยให้จิตที่จะอานนั้นพอกธาตุนพอกกระดูกให้เป็นธ า, านก็ไม่เป็นท า, านได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้เป็นพระหลานฉะนั้นการดูพระธาตุอย่างเดียวก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต ร้อยเปร็ต์ตรงที่ว่าถ้าเป็นพระธาตุนี้แสดงว่าแน่นอนแต่ถ้าไม่เป็นนี่ไม่แน่ว่าเป็นหรือไม่เป็นยังไม่รู้คำถามจากคุณอ้อย <c oughs> กราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเวลานั่งสมาธิจิตรวมนิ่งนิ่งอยู่อย่างนั้นตอนแรกก็รู้สึกสงบดีแต่พอเป็นบ่อยๆเข้า จิตเกิดคำถามว่าแล้วอย่างไรต่อเราจะมีวิธีขึ้นสู่วิปัสสนาอย่างไรเจ้าคะวิปัสสนาก็อย่านั่งให้มันสงบไปนั่งแล้วก็นั่งให้มันเจ็บนั่งให้มันเจ็บแล้วก็พิจารณาความเจ็บเวทนาว่าไม่เที่ยง เ, เป็นทุกข์ถ้าเราไปอยากให้มันหายไปมันเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ มันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเราเป็นจิตผู้รู้ก็รับรู้ไปเฉยๆอย่าไปอยากให้มันหายถ้าอยากแล้วมันจะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันเจ็บไปจนกว่ามันจะหายเองอันนี้ก็เรียกว่าวิปัสสนาเห็นเวทนาปล่อยวางเวทนาได้ถ้าเราปล่อยวางความเจ็บได้ต่อไปเราจะไม่กลัวความเจ็บเลยเจ็บตรงไหนปวดท้องก็ไม่ต้องกินยาก็ได้ เจ็บจนตายก็ไม่กลัวถ้าเรารู้จักวิธีปล่อยวางเวทนาแล้วมันจะไม่สามารถทำให้เราทุกข์ได้ความเจ็บของร่างกายจะไม่สามารถทาใจของเราให้ทุกข์ได้นี่ก็คือวิปัสสนาถ้านั่งนะถ้านั่งนั่งแล้วก็ให้มันเจ็บอย่าลุกแล้วก็ให้มันหายเองถ้ามันยังไม่หายก็อย่าไปลุก หรือถ้าใจปล่อยวางได้แล้วค่อยลุกก็ได้ถ้าใจไม่ทุกข์กับมันแล้วใจก็อย่าเพิ่งลุกทันทีทันใดถ้าปล่อยวางได้ก็ต้องอยู่กับมันไปก่อนไม่ใช่มาหลอกตัวเองปล่อยวางได้แล้วก็ลุกนี่ก็ต้องปล่อยวางรอให้มันหายก่อนอเมื่อมันหายแล้วค่อยลุกถ้ามันยังไม่หายก็ยังไม่ลุก อ, อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการวิปัสสนาเกี่ยวกับเรื่องเวทนา ส่วนวิปัสสนาเรื่องร่างกายก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเราเอมันมาจากดินน้ำลมไฟตายไปมันก็กลายเป็นขี้เถ้าไปเอห็นมันต้องมันต้องตายห้ามมันไม่ได้เป็นอนัตตาเห็นอยากไปกลัวตายถ้ากลัวตายก็แสดงว่ายังยังอยากไม่ตายยังอยากให้มันอยู่ยังไม่ยอมรับความจริงก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ปล่อยมันตายไป ก็ต้องไม่กลัวตายต้องยอมตายที่จะรู้ว่ายอมหรือไม่ยอมก็ต้องไปเจอต้องไปพิสูจน์ดูต้องไปหาที่มันน่ากลัวดูที่ที่คิดว่าเราจะตายแล้วดูสิว่าเราจะทำให้ไม่กลัวได้ไหมไม่กลัวตายได้ไหมถ้าทำได้มันก็จะรู้ว่าเราไม่กลัวตายแล้วเราปล่อยวางร่างกายได้แล้ว หรือเวลาแก่เราก็ปล่อยมันให้มันแก่ได้ไหมไม่ต้องไปย้อมผมได้ไหมไม่ต้องไปดึงหนังได้ไหมหรือเ่อมีสิวมีฝ้าไม่ต้องไปทุกข์กับมันได้ไหมมันจะขึ้นสิวขึ้นฝ้าอะไรก็เรื่องของมันเราห้ามันได้ไหมห้ามมันไม่ได้ถ้าเรายังทุกข์กับมันอยู่ก็แสดงว่าเรายังปล่อยน่่งกายไม่ได้คำถามจากคุณพนันเก็บอัติ คุณพ่อคุณแม่และพี่ๆไว้ที่บ้านเอาไว้บูชามาหลายปีแล้วค่ะมีคนทักว่าไม่สมควรให้นาไปลอยน้ำให้หมดหรือไว้ที่วัดจริงหรือไม่คะไม่จริงหรอกแล้วแต่เรามันก็เป็นสมบัติอย่างหนึง่งข้าของของเราเราจะเก็บไว้ที่บ้านก็ได้เก็บไว้ที่วัดก็ได้แล้วแต่เรา ทำไมเงินไม่ไปไว้ที่วัดกันเงินอะไรเงิ น, นเอาไว้ที่บ้านได้ใช่ไหมมันก็เป็นวัตถุเหมือนกันเงินก็เป็นกระดาษหรือเพชรหรือทองหรือสร้อยมันก็เป็นวัตถุก็ดูกมันก็เป็นวัตถุเหมือนกันมันไม่มีอะไรแตกต่างกันเพียงแต่เราไปคิดกันเองว่าเป็นของคนตายเก็บไว้ที่บ้านคนเป็นแล้วจะไม่เป็นมงคลบ้างอะไรบ้างก็ว่าไป คางคนเขาบอกเป็นพ่อแม่เราเมื่อก่อนเขา ม, มีชีวิตอยู่เขาก็อยู่บ้านเราได้ทำามตายแล้วทําไมให้เขาอยู่ต่อไปไม่ได้ะมันก็แล้วแต่ความคิดจะคิดกันไปนั่นเองงั้นไหวที่ไหนก็ได้ไม่ไหวที่ไหนก็ได้จะไปลอยอังคารก็ได้จะไปฝังดินก็ได้กระดูกขี้เท่าของแม่ของหลวงตาเวลาเผาเสร็จท่านก็ให้ออกไปโกยเอาไปโปรยอยู่ที่โคนต้นโพวเอาไปเป็นปุย๋ย เป็นบูชาพระพุทธเจ้าถือว่าต้นโพเป็นเหมือนตัวแทนของพระเจ้าแล้วก็เลยเอาเนี้ยกระดูกเอาขี้เท่าที่หลังจากเผาเสร็เนี่ยไปโลยรอบต้นเจดีย์ต้นโพก็ได้จะทําไงก็ได้มันไม่เป็ น, ปนมันเป็นกระดูกแล้วมันเป็นโลมันเป็นวัตถุไปแล้วเป็นดินแล้วจะไปทําอะไรกับมันก็ได้อยู่ที่ว่าเราจะคิดยังไงกับมันเท่า น, นั้นเอง จะเ่าเป็นปุ๋ยก็ได้เอาไปทปุ๋ยคาถามจากคุณวรายุทธกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับถ้าคนเราทุกคนที่เคยทำกรรมาฐานแล้วและได้ฌานขั้นใดก็ได้ในช่วงที่มีชีวิตได้ฌานหนึ่งครั้งหรือได้สองครั้งแต่พอถึงเวลาตายแต่ไม่ได้ตายในฌานเนื่องจาก ตายกระทันหันหรือตายโดยไม่ระลึกถึงฌานภาวนาจิตจะไปในภพหรือได้บุญจากการเคยได้ฌานหรือไม่ครับถ้ามันไม่ได้มันก็ไม่ได้มันได้มันก็ได้เคยได้แล้วแต่ครั้งใหม่นี้มันยังไม่ได้มันก็ไม่ได้มันต้องได้ทุกครั้งมันถึงจะได้มันอยู่ที่ปัจจุบันเน่ะ อดีตมันผ่านไปแล้วเมื่อวานนี้ได้กินข้าวแล้วแต่วันนี้ไม่ได้กินมันจะอิ่มเหมือนเมื่อวานหรือเปล่ามันก็หิวอะไรใช่หไหมไม่ใช่ว่าทําได้กินได้เมื่อวานนี้แล้วจะทําให้วันนี้อิ่มด้วยมันไม่อิ่มแล้วถ้าอยากจะให้วันนี้อิ่มต้องทอําไงก็ต้องกินใหม่ถ้าอยากจะให้วันนี้สงบเข้าฌานใหม่ก็ต้องเข้ า, าเข้าวันนี้ใหม่ เมื่วอวา น, นี้มันผ่านไปแล้วมันหมดไปแล้วเวลาตายก็เหมือนกันเวลาตายถ้ามันไม่เข้าฌานมันก็ไม่ไปมันก็ไม่ไปพรมาโลกมันอยู่ที่ว่าเราทําได้หรือเปล่าทําได้ตลอดเวลาหรือเปล่าทําไม่ได้ตลอดเวลามันก็แล้วแต่จังหวะถ้าจังหวะไหนทําได้มันก็ไปได้จังหวะไหนทําไม่ได้ก็ไปไม่ได้ก็เท่านั้นเองคําถามจากคุณเอมี่ กราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะขั้นต้นในการปฏิบัติฝึกกรรมฐานทุกอย่างต้องเริ่มต้นด้วยการฝึกสมาธิให้ได้ความสงบก่อนใช่ไหมคะถึงจะสามารถไปวิปัสสนาได้คะ่ะก็ต้องมีสมาธิก่อนถึงจะไปไปวิปัสสนาได้เพราะวิปัสสนานี้เป็นเหมือนมีดส่วนสมาธิเป็นเหมือนอาหารคนทางาน ก่อนที่จะไปตัดไม้ตัดอะไรได้ต้องกินอาหารก่อนพักผ่อนหลับนอนก่อนถึงจะมีกำลังเมื่อมีกำลังแล้วก็เอามีดไปตัดต้นไม้ตัดอะไรได้ถ้าไม่ยังไม่ได้กินข้าวไม่พักผ่อนหลับนอนไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงได้มีดมาไปก็ไปตัดไม้ไม่ได้ไม่มีแรงตัด วิปัสสนานี้เป็นเหมือนมีดเอามาตัดกิเลสเขาเา้าใจป่ะมาตัดความอยากความโลภต่างๆให้มันหมดไปจากใจแต่ถ้าใจไม่มีกำลังที่จะยกมีดขึ้นมาตัดมันก็ตัดไม่ได้เน้นต้องมีสมาธิก่อนถึงจะไปทางปัญญาวิปัสสนาได้คำถามจากคุณ น, นกกราบนมัสการเจ้าค่ะเวลาที่นั่งปฏิบัติทุกครั้งที่เราเริ่มมีสมาธิ จะมีความรู้สึกอยู่ที่เบ้าตาทั้งสองข้างอย่างนี้เรียกว่าเพ่งหรือเปล่าเจ้าคะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่ามันมีสมาธิดีเจ้าคะ่ะแต่กลัวว่าจะเพ่งโดยไม่รู้ตัวก็เรานั่งดูอะไรอยู่ลระดูลมก็ดูลมไปสิอย่าไปดูอย่างอื่นพุโทโธก็พุโทโธไปสนใจอย่างอื่นอย่างอื่นไม่สำคัญสำคัญที่กรรมฐานที่เราใช้กับกับใจ แต่เราใช้ลมหายใจก็ดูลมหายใจไปถ้าเราใช้พุโทโธก็พุโทโธไปอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาถ้าถ้าไปสนใจแล้วมันก็จะไม่สงบเพราะมันไม่ได้ทำหน้าที่ทำใจให้สงบมันไม่ได้เจริญสติแล้วมันไปถลย์ถลยไปทำงานอย่างอื่นแล้วคำถามจากคุณวรายุทธกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ เราเอาอารมณ์ตอนที่เราภาวนาแล้วจิตสงบมาเป็นอารมณ์ตั้งต้นในการภาวนาครั้งต่อๆไปได้หรือไม่ครับก็ถามทำไมเราก็ลองทำดู้วยคนเราปฏิบัติมันก็ต้องอยากจะรู้อะไรก็ต้องทดสอบดูเสิทดลองดูแต่โดยหลักแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วมันจะไม่สามารถมาทำให้ใจเราสงบได้มันต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่พุโทโธพุโทโธใหม่ แต่ถ้าทำได้ก็ทำดูถ้าคิดว่าเอาอารมณ์สงบมาปั๊มใส่อารมณ์ที่วุ่นวายได้ก็ลองปั๊มดูเข้าไปอัดมันเข้าไปดูไม่แน่อาจจะอัดได้ก็ได้ไม่รู้นะคำถามจากคุณซีนกราบนมัสการเจ้าค่ะวันก่อนขับรถขณะฝนตกเกิดถนนลื่นรถหมุนว่าทำสติอยู่แต่ใจก็ยังสั่นอยู่เลยค่ะ พิจารณาอย่างไรดีค ะ, ะถ้ามันสันก็พุโทโธใส่เข้าไปแสดงว่าสติไม่มีแล้วมันก็สันเลยมันเสียสติละขาดสติละมันถึงสันถ้ามันมีสติมันก็จะไม่สันมันก็พุโทโธพุโทโธไปเลยหรือถ้าจะใช้ปัญญาก็บอกอย่างมากก็แค่ตายวะยอมตายแล้วมันก็หายสันนั่นแหละจึงจะรู้ว่าเราปล่อยวางร่างกายได้หรือเปล่า ถ้าปล่อยได้ใจจะนิ่งใจจะสงบใจจะไม่สั่นจะไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายถ้าถ้าใช้ปัญญาก็เรียกว่าวิปัสสนาพิจารณาไปแต่ร่างกายเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมด า, าถึงตอนนี้ถึงเวลามันจะตายแล้วก็ให้มันตายไปมันก็หายสั่นเอหรือถ้าพิจารณาไม่เป็นก็ใช้สติพุทโธอันนบางคนเวลากลัวอะไรนี่สวดมนกัน อย่างเดียวเลยพุโทโธอัลังสัมมาสวรกคาโตสปัตติปนโนเพื่อจะได้ทำให้ใจไม่สัน่นก็ใช้ได้สองวิธีวิธีของสติกับวิธีของปัญญาแล้วแต่เราจะถนัดแบบไหนเราก็ใช้แบบนั้นไปอคาถามสุดท้ายจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคือโยมจะนั่งสมาธิและตั้งนาฬิกาไว้หนึ่งชั่วโมง พอได้ประมาณสี่สิบนาทีจิตเริ่มดิ้นเริ่มอึดอัดแต่โยมได้บอกว่าจะดัดกิเลสจึงนั่งต่อให้ครบชั่วโมงแบบนี้โยมทำถูกไหมเจ้าคะหรือต้องออกจากสมาธิตั้งแต่สี่สิบนาทีแรกที่จิตบอกว่าอึดอัดเอางั้นตั้งนาฬิกาไปทำไมถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องตัง้ตงเลย ที่ตั้งก็เพื่อที่จะบังคับจิตให้นั่งต่อไปถึงแม้มันอยากจะออกแต่เรารู้ว่าถ้าเราต้องการที่จะพัฒนาเราก็ต้องบังคับให้มันทําต่อถึงแม้มันจะไม่อยากทําแล้วเราก็ต้องบังคับให้มันทําต่อเราก็พุทโธต่อไปดูลมต่อไปมันก็จะนั่งต่อไปได้ดังนั้นนี่คือวิธีการที่เราจะบังคับให้เราก้าวไปข้างหน้าไง เราอยากไปทาตามกำลังของมันถ้าตามกำลังของมันมันนั่งได้แค่ไหนมันก็จะมันก็จะนั่งได้แค่นั้น <c oughs> เคยนั่งได้สี่สิบห้ามันก็จะนั่งได้แค่สิสี่สิบห้าถ้าอยากจะได้นั่งมากกว่านั้นเราก็ต้องบังคับมันต่อไปจะตั้งนาฬิกาก็ได้ไม่ตั้งนาฬิกาก็ได้บางทีไม่ตั้งนาฬิกาอาจจะทะลุชั่วโมงไปก็ได้อาจจะเป็นสองชั่วโมงเลยก็ได้แต่ถ้าเรายังไม่มีกาลังมากพอเราก็ตั้งตั้งไว้ก่อนก็ได้ ตั้งทีละเล็กทีละน้อยไปก่อนเพิ่มทีละห้านาทีสิบนาทีไปก่อนก็ได้แต่ระวังอย่าไปคอยจ้องดูนาฬิกานะเมื่อไหร่จะถึงเวล า, าทันทีถ้าอย่างนั้นก็ไม่ไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่มีสติแล้ว ถ้ายังไปคอยดูนาฬิกาอยู่ให้เลือย ก, กี่นาทีเลือย ก, กี่นาทีอย่าไปดูให้มันดังของมันเองนะเรามีหน้าที่พุโทโธพูโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธต่อไปหรือดูลมก็ดูลมต่อไปอย่าไปสนใจกับนาฬิกาถ้าสนใจกับ น, นาฬิกาแล้วก็ไม่ได้ภาวนาแล้วไม่ได้นั่งสมาธิาแล้วนั่งดูนาฬิกา <c oughs> เอาล้นะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิตตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธิด